อกราบบูชาครูบาอาจารย์ทั้งหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนขอกราบคารวะพระอาจารย์วัฒนชัยพระเถรานุเถระพันเตเพื่อนสาธรรมิกขอเจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน ก็นั่งตามสบายเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่มีทั้งพระภิกษุนะที่มาจากที่อื่นนะมาอยู่ปฏิบัติมาศึกษามาเรียนรู้นะที่วัดป่าสุกโตแล้วก็มีกลุ่มปฏิบัติธรรม นะประจําประจเดือนนะเดือนพฤศจิกายนนะซึ่งก็ต่อเนื่องนะเมื่อวานก็กลุ่มอบรมเก็บอารมณ์เข้มเนะพิ่งออกไปแล้วก็วันนี้กลุ่มใหม่เข้ามานะกา็ถือว่าวัดป่าสุกโตนะได้ทําประโยชน์ กับชีวิตทุกชีวิตการมาวัดป่าสุกโตเนี่ยน่าจะประโยชน์สูงสุดที่เราน่าจะได้รับจากการมาวัดป่าสุกโตก็คือการที่เราได้มาเรียนรู้เรื่องชีวิตเรื่องตัวเราเองไม่มีเรื่องอื่นป่าสุกโตนั้น เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะการเรียนรู้เรื่องชีวิตนะก็เรียนรู้ที่กายที่ใจของเราแต่ก่อนการศึกษาเราจะเน้นไปตรงที่อ่านหนังสือฟังธรรมะจดจำนะแต่บางทีก็นำไปปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้าง แตนะ่ถ้าเราเรียนรู้จากหนังสือแล้วจากการฟังธรรมแล้วถ้าเราไม่ได้นําไปปฏิบัตินะมันก็ได้ผลน้อยได้ประโยชน์น้อยถ้าเราเรียนรู้แล้วเราฟังธรรมเราอ่านหนังสือเราพอจับหลักได้นะเราก็เอามาปฏิบัติเลยซึ่งที่วัดป่าสุกโตเนี่ยจะสนับสนุนส่งเสริมเรื่องพวกนี้เป็นหลัก นะโดยหลวงพ่อคำเขียนนะเป็นผู้นำนะในการนำสู่การปฏิบัตนะินำสู่การเรียนรูนะ้เรื่องชีวิตของเราเรื่องของชีวิตนะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดนะส่วนใหญ่เนี่ยในโลกปัจจุบันนะจะมีสิ่งให้เราสนใจ เป็นเรื่องข้างนอกตัวเราจะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเรารู้โลกข้างนอกมากมายมีความรู้มากมายแต่เรื่องภายในตัวเราเนี่ยเรารู้น้อยมากชีวิตของเราก็สุขสุขทุกๆุบางทีก็มีความเครียดมีความหนักอกหนักใจสุกสุขทุกๆ อยู่ตลอดเวลานะเราก็พยายามหาวิธีการนะที่จะให้เรามีความสุขนะโดยการไปแสวงหาจากวัตถุสิ่งของบุคคลนะที่เป็นสิ่งภายนอกนะเพื่อที่จะบันสนองความต้องการของเราซึ่งบางทีก็ตอบสนองได้แต่บางทีก็ตอบสนองไม่ได้ นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนก็ได้ประสบพบเห็นมาถ้าเราลองหันกลับมาดูนะความสุขความทุกขนะ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจเราเรากลับมาดูที่ใจเราเรากลับมาเรียนรู้ที่ใจเราเราจะเห็นต้นเหตุสำคัญนะที่ทำให้ชีวิตของเรามีทุกขนะ์ถ้าเรากลับมาดูอย่างนี้ นะก็จะทําให้เราสามารถที่จะแก้ปัญหานะได้ตรงจุดแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างเด็ดขาดการเรียนรู้เรื่องชีวิตนะเรื่องกายเรื่องใจนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ที่มันยากตรงที่เราฟังไม่ออกหรือเราไม่คุ้นเคยหรือเราไปเคยชินนะกับการศึกษาเรื่องนอกตัวการศึกษาชีวิตกายใจนั้น เราอาศัยสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวภาษาบาลีก็เรียกว่าสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวสิ่งนี้เรามีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกตัวธรรมดาเป็นความรู้สึกตัวที่เราใช้ในการมีชีวิตในการทำงาน ทำนู่นทำนี่ติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนสิ่งแวดล้อมต่างๆความรู้สึกตัวที่มีอย่างนี้ยังไม่เพียงพอกับการที่จะแก้ไขรู้รู้เท่าทั น, นาอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดซึ่งเป็นสิ่งที่ว่องไวและเป็นสิ่งที่มีพลังมากถ้าเราไม่รู้จักมันจริงๆริงดูนีเองการมาอยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยเราก็จะมาฝึก นะก็คือมาพัฒนาความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วให้มีความฉับไวขึ้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นให้สามารถรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดนะที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะแต่จาเป็นที่เราจะต้องฝึกการฝึกที่จะพัฒนาความรู้สึกตัวนั้น นะตามาคำพีนะหรือตามพะัะไตรปิฎกนะก็จะพูดไว้ก็คือสติปัฏฐาน4นะซึ่งหลายคนคงเคยได้ยินนะโดยเฉพาะย่างยิ่งนะคนที่อ่านหนังสือธรรมะมามานะสติปัฏฐาน4เริ่มจากกายานุปปสนาสติปัฏฐานนะก็คือการมีความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหว นะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นการจะศึกษาทาความรู้สึกตัวเนี่ยให้ศึกษาตรงนี้ก่อนอย่าพึ่งใจร้อนไปดูใจทันทีคนเริ่มต้นใหม่ก็ดีคนเก่าก็ดีตัวกระผมนื้ธรรมาเองเคยมีประสบะการณ์แต่ก่อนไปอ่านหนังสือธรรมะ ก, ก็ดีไปได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์หลายท่านบอกให้เราดูใจนะให้เห็นอนิจรรยทุกขังอนัตตา มันจะเอาอะไรดูล่ะเอาความนึกคิดดูเหรอคิดดูเองมันก็ไม่ได้นะอันนี้มันนึกมันคิดไปมันจินตนาการไปแต่เมื่อมาพบถึงพระเทียนหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านบอกว่าให้เรารู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวก่อนเป็นพื้นฐานให้มันชัดๆัดตรงนี้นะอย่าเพิ่งไปใจร้อนดูใจดูอารมณ์เลยนะเพราะกายเนี่ยนะเป็นสิ่งที่หยาบที่สุด เป็นสิ่งที่เราจะเห็นได้ง่ายที่สุดคำว่าดูในที่นี้เราไม่ได้ใช่ตาดูนะเราใช้ความรู้สึกสัมผัสไปที่กายเคลื่อนไหวหลวงพ่อเทียนได้นําเสนอวิธีการเคลื่อนไหว14จังหวะนะที่เรายกไม้ยกมือกันเนี่ยนะก็เป็นเทคนิคเป็นอุบายนะที่จะให้เราเนี่ยนะมารู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหว นะเป็นการเรียกความรู้สึกตัวหรือว่าใจที่มันเคยล่องลอยไปมันคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาเรียกว่าใจลอยอะ่ะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวโดยการเคลื่อนไหวหนะ้าสจังหวะก็ดีการเดินจงกลมก็ดีเป็นอุบายเป็นเทคนิคนะที่จะทําให้เราเนี่ยมารู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวเมื่อเรารู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวได้บ่อยๆทําบ่อยๆ นะทำให้มันชำนาญทำให้มันจนเป็นความเคยชินนะความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะฉับไวขึ้นมันจะไปเห็นสิ่งที่มันละเอียดขึ้นนะที่เราเรียกว่าความรู้สึกสุขทุกภาษาบาลีเรียกว่าเวทนานะเวทนานุ ป, ปัสนาสติปัฏฐานมันจะต่อเนื่องไปจากการที่เรารู้สึกที่กายเคลื่อนไหวเนี่ยบ่อยๆเรื่อยๆนะ จะเห็นสุขเห็นทุกข์หรือแม้แต่บางทีเรานั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยนะแล้วเราก็รู้สึกพอใจไม่พอใจนี่มันเกิดขึ้นแล้วนะเป็นเวนนนทนานุปัสนาติปตปฐานนะทีนี้เราก็ทําความรู้สึกตัวเนี่ยต่อเนื่องไปนะให้มันต่อเนื่องนะมันก็จะเห็นความคิดนะความคิดซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะแต่มันมีพลังงานมันมีพลัง มันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยคิดดีคิดไม่ดีคิดแล้วมีความสุขคิดไม่มีความสุขคิดแล้วโลภคิดแล้วโกรธคิดแล้วหลงคิดแล้วไม่รู้ตัวมันมีสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์เป็นอาการที่เกิดขึ้นแต่เพราะความที่เราไม่เคยมาสนใจเรื่องพวกนี้เราไม่เคยมาฝึกเจริญสติหรือความรู้สึกตัวเราจึงไม่เห็น เมื่อไม่เห็นความคิดก็ครอบงำเราทำให้เราสุขทำให้เราทุกข์ทำให้เราไม่รู้ตัวทำให้เราลืมตัวบางทีเราทำอะไรไปโดยที่เป็นไปตามอารมณ์เป็นไปตามความนึกคิดที่เป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจเช่นเราโกรธมีคนก็มาว่าเราทำให้เราโกรธเราก็ทำไปตามกำลังหรืออำนาจของความโกรธ แต่พอทำไปแล้วเราฉุกใจทีหลังโอ้ทำไมเราไปทำอย่างนั้นมันสติมันคืนมานะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ฝึกเนี่ยเราจะอยู่ใต้อานาจของความโลภความโกรธความหลงเลื่อยไปชีวิตนี้ก็จะเป็นชีวิตที่เป็นเป็นทาตของอารมณ์เป็นทาตของความคิดไม่เป็นอิสระสิ่งที่จะมาช่วยปลดปล่อยความเป็นอิสระได้นะก็คือความรู้สึกตัวนี้เอง ความรู้สึกตัวนั้นจะเท่าทันความคิดเท่าทันอารมณ์นาจากการที่เราฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำให้มันเป็นนิสัยเกิดนิสัยใหม่ขึ้นมาเรียกว่านิสัยแห่งความรู้สึกตัวไม่ใช่นิสัยแห่งความหลงลืมตัวทำบ่อยๆเรื่อยๆอย่างนีนะ้เราก็จะเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะเมื่อเราไปประสบกับ โลกภายนอกเหตุการณ์ต่างๆผู้คนต่างๆที่เราไปกระทบทางตาบ้างทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วเกิดความสุขความทุกข์เกิดสิ่งต่างๆขึ้นม า, นาอันนี้ก็เป็นเรียกว่าธรร ม, มานุปัสสนาสติปัฏฐานจนถึงว่าเราไปสัมผัสกับสภาพที่มันเป็นพื้นฐานของใจก็คือความเป็นปกติ ที่มีอยู่แล้วในพวกเราทุกคนสิ่งนี้ทำให้เรามีชีวิตที่เป็นปกติสุขนะเพราะฉะนั้นการเจริญสติการที่เรามาใช้ชีวิตนะเป็นชีวิตแห่งการภาวนานะก็คือคําว่าภาวนาในที่นี้หมายถึงพัฒนาพัฒนาความรู้สึกตัวนะที่จะให้รู้เท่าทันอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจ เราจะได้ไม่หลงนะไม่หลงไปในอารมณ์ไม่หลงไปในความนึกคิดต่างๆนะก็จะถอนตัวออกมาเป็นผู้ดูที่เขาบอกให้ปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยเราปล่อยวางไม่ได้หรอกถ้าความรู้สึกตัวเรายังเห็นไม่ชัดเรานึกคิดว่าจะปล่อยวางเนี่ยมันได้แต่นึกแต่คิดแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือเมื่อความรู้สึกตัวนะซึ่งเป็นตาในนะเขาเรียกว่าตาในมันเห็น ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความไม่สามารถบังคับบัญชาได้มันจะปล่อยวางเองสติก็จะทาหน้าที่อย่างนั้นเราไม่ได้มีท่าน ท, ที่จะไปปล่อยวางนะสติสัมปชัญญะนะมันจะเป็นตั ว, ช, วช่วยในการปล่อยวางทีนี้นในการฝึกนะสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยนะมันจะมีอุปสรรคสาคัญนะที่จะพบอย่างแน่แนเลยนะซึ่งก็เป็นธรรมดานะที่ทุกคนจะต้อง เรียนรู้แล้วก็ไม่ต้องไปปฏิเสธแลก็เขาเรียกมันว่ า, เ, าเครื่องกลางกัน้นนะที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะเข้าใจความจริงได้ภาษาบาลีเรียกว่านิวรณนะ์นิวรณ์ตัวแรกที่พบบ่อยๆนะจากประสบการณ์ที่ฝึกก็คือความง่วงมันทําแล้วมันง่วงทั้งๆยิ่งเป็นเวลากลางวันยกมายกมือทําซ้ําๆซากๆนี่มันเบื่อ มันเบื่อมันง่วงมันฟุ้งซ่านนะหรือบางทีรู้สึกหนุดหนุดขึ้นมานะเพราะว่าเราเคยทำอะไ ร, ราตามใจตัวเองให้มานั่งยกมือทั้งวันให้มานั่งทํซซ้ำาักซากเนี่ยมันเบื่อนะเบื่อไม่พอบางทีมันง่วงนะไม่ง่วงก็ฟนะุ้งซ่านนะสิ่งต่างเหล่านี้เป็นอาการที่มันจะเกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนบทแรก ที่เราจะต้องเรียนรู้และจะต้องผ่านเพราะฉะนั้นการฝึกเจริญสตินี่ไม่ได้เน้นว่าจะต้องนั่งหลับตาให้มันหลับูหลับตาสงบนิ่งๆเพราะการสงบนิ่งๆแบบนั้นถ้าความรู้สึกตัวไม่มีมันจะสงบแบบหลับไปนะซึ่งก็จะไม่ได้ประโยชน์แล้วก็จะกลายเป็นความอ่อนแอไปเพราะฉะนั้น การเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยนะจะเน้นให้เรามีความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องหลับตาลืมตานะลืมตาแล้วก็เผชิญกับสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นจะเป็นความง่วงความฟุ้งซ่านความเบื่อหน่ายความเจ็บความปวดความเมื่อยที่มันจะเกิดขึ้นแล้วเราเรียนรู้นะที่จะรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ ใช้ความอดทนนะอดทนนะแล้วก็รู้เท่าทันนะซึ่งตรงนี้จะทำให้เราเรียนรู้อริยสัจข้อที่หนึ่งก็คือทุกข์นั่นเองทุกข์นี่เราเคยอ่านหนังสือมาเยอะแยะทุกข์อริยสัจคือความทุกขนะ์แต่เรารู้เพียงแค่ความจาเมื่อเรามานั่งสร้างจังหวะคดีเดินจงกรมก็ดีเราได้สัมผัสกับความปวดความเมื่อยความทนได้ยากนะ สิ่ ง, งต่างตเหล่านี้เป็นความทุกข์เมื่อเรารเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เราไม่ต้องหลบหนีเผชิญหน้านะเพื่อที่เรียนรู้ว่าอ๋อสภาพทุกข์มันเป็นอย่างนี้เมื่อเราเข้าไปยึบไปถือเราไม่รู้เท่าทันแต่ก่อนเราก็จะอึดอัดขัดเคืองนะเราจะรู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายกายไม่สบายใจแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวแล้วเรากลับมารู้สึกตัวเราก็รู้นะมันปวดมันเมื่อย แต่ให้มันปวดเมื่อจะเพียงกายแต่ใจเราไม่ปวดด้วยซึ่งตรงนี้เป็นจุดสาคัญคนที่ฝึกได้นะก็จะรู้จักแยกกายแยกใจซึ่งตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากนะถ้าเราไปอยู่ในสภาพที่ เ, เจ็บป่วยขึ้นมาหรื อ, อ, อตกทุกขได้ยากขึ้นมาแล้วเราต้องเจ็บกายแตนะ่ใจเราไม่เจ็บนะซึ่งตรงนี้จะเป็นประโยชน์มากเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ การเจริญสิ่ด้วยการเคลื่อนไหวนั้นเป็นกา ร, รเผชิญหน้ากับความทุกข์ไม่หลีกหนีเลยแต่เผชิญหน้าด้วยสติสัมปชัญญะด้วยความรู้สึกตัวนะที่จะไม่ไม่เข้าไปกดข่มมันไม่ไปห้ามแต่เรียนรู้เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จะเกิดปัญญานะความทุกข์บางอย่างเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะอย่างเรานั่ง น, น, นานๆมันก็ปวดก็เมื่อย ก็ <g ül> นิยามให้เปลี่ยนอิเยะบทได้ไม่ใช่ไม่ไม่ให้เปลี่ยนนะเปลี่ยนได้ด้วยความทุกขนะ์ที่เกิดจากความคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้มันก็ไม่ได้คิดตลอดเวลานะเดี๋ยวมันคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวมันคิดเรื่องนี้บางทีใจมันก็ว่างๆก็มีเหมือนกัน น, นี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ทุกบางอย่างมันก็มันก็ไปเองนะเราก็เรียนรู้เหล่านี้เมื่อเรียนรู้เหล่านี้เราก็จะเห็นเลยว่าเหตุแห่งทุกข์นั้นมันเกิดจากอะไร เกิดจากการที่เราไม่รู้ตัวลืมตัวภาษาบาลีเรียกว่าอวิชชานี่นึ่งซึ่งคําว่าอวิชชาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่รู้มันเืออะไรก็คือไม่รู้ตัวไม่ไม่ทันนกับความคิดไม่ทันกับอารมณ์ไม่ทันกับอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ไปหลงหนกับสิ่งเหล่านี้พอสุขเราก็อยากให้มันอยู่นานๆพอทุกข์ เราก็อยากให้มันไปไกลๆไปเร็วๆแต่ธรรมชาติมันก็แปลกนะทุกมันก็จะหยุดนานๆแต่สุขมันจะไปเร็วๆมันไม่เป็นตัณใจเรานะเขาเป็นของเขาธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นตรงนี้นี่เองจะทำให้เราได้เรียนรู้ความจริงสัจธรรมความจริงที่มันปรากฏที่มันแสดงเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมะก็คือเรียนสิ่งเหล่านี้ความจริงที่แสดงออกมา ไม่ใช่ธรรมะที่เรานึกคิดเอาไม่ใช่ธรรมะที่เราไปอ่านตำรับตำรามาแต่เป็นธรรมะที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเราโดยความรู้สึกตัวเป็นตัวเห็นเพราะฉะนั้นการพัฒนาตรงนี้น่าจะเป็นจุดสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตของลายของใจเพราะฉะนั้นอุรสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น สิ่งที่มากลางกั้นต่างๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องย่อทอ้อเราจะเข้มแข็งเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมือบอลต่างๆที่มันมาเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเราพลิกสามารถพลิกได้เช่นเวลาน่วงเราแก้งน่วงนะอย่างเช่นเรายกมือสร้างจังหวะเนี่ยยกช้าๆมันง่วงก็ยกให้มันเร็วขึ้นนะบางทีทําเบาๆก็ทําให้มันแรงขึ้นนะนี่ก็แก้อารมณ์ หรือบางทีบางคนเพ่งมากๆมันเพ่งเข้ไปข้างในมันจะง่วงแล้วก็มองออกไปข้างนอกนะเดินจงกรมเราเดินกลับไปกลับมาเนี่มันง่วงเราเดินถอยหลังดูนะอันนี้ก็คือแก้เราเจยเลยระหว่างความง่วงกับความตื่นเนี่ยมันจะพลิกทันทีเลยเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเทคนิคนะที่เราจะต้องแก้ไขนะความรู้สึกตัวมันก็จะตื่น สิ่งสำคัญก็คือการฝึกปฏิบัติเนี่ยนะจะต้องพยายามอยู่ด้วยตัวคนเดียวอย่าพูดอย่าคุยหลบหลีกเลยยิ่งคนรู้จักกันพยายามแยกห่างเลยอย่าไปอยู่ใกล้กันในช่วงที่มาอยู่ปฏิบัตินี้ขอให้เป็นเวลาส่วนตัวจริงๆสำหรับแต่ละคนลดการพูดการคุยผลที่เกิดขึ้นจากการเจริญสติจะเกิดผลดีมากๆเลยถ้า ต่างคนต่างทําแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบในรูปแบบก็คือเดินจงกรมสร้างจังหวะนอกรูปแบบก็คือออกจากลานจงกรมแล้วไปทํากิจวัตรส่วนตัวไปรับทานอาหารไปดื่มน้ําไปอาบน้ำนะพยายามใส่ความรู้สึกตัวลงไปนะตรงนี้ ก็าะทำให้เกิดความต่อนเนื่องแรกๆมันยังไม่ต่อนเนื่องหลักนะก็ไม่เป็นไรนะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะสาหรับคนใหม่นะอย่าใจร้อนแล้วก็จะบอกไม่เพ่งก็ไม่ได้มันคนใหม่ๆมันตั้งใจมันเพ่งไม่เป็นไรล่กนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยให้เป็นบทเรียนเราเรียนรู้อารมณ์ทุกอารมณ์ความคิดทุกความคิดนะแต่สิ่งที่จะช่วยประครับประครองให้เรา เห็นความจริงก็คือความรู้สึกตัวอะไรเกิดขึ้นกลับมารู้สึกตัวนะตรงนี้จะเป็นฐานสำคัญโดยเฉพาะความรู้สึกตัวที่กลายเคลื่อนไหวตรงนี้เป็นฐานสำคัญนะที่จะใช้ประโยชน์ได้เมื่อเราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำให้ต่อนเนื่องนะมันจะเกิดผลขึ้นมาก็คือเราจะเข้าใจกายใจของเราเป็นอย่างไรความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรความ ไม่ใช่ตัวเราเป็นอย่างไรนีน่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้ น, นให้เราได้พบได้เห็ น, นแล้วก็เราจะปล่อยวางได้เป็นอิสระาจากความคิดปรุงแต่งต่า ง, า ง, างในช่วงนี้เนี่ยถ้าเรามีงานอะไรที่จะต้องทำวางไว้ให้หมดเลยนะที่มันเป็นโครงการทั้งหลายเนี่ยในความคิดวางให้หมดเลยทำความรู้สึกตัว บ, บ, บ่อยแม้แต่บางทีความคิดดีๆก็ทิ้งไป ห, หมดเลยไม่ต้องมาเอาเลย นะกลับมารู้สึกตัวนะความคิดดีๆเนี่ยมันจะหลอกนะหลอกให้เราคิดต่อเนื่องไปนะ น, นี่ก็ต้องต้องคอยสังเกตคอยดนะอูนนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอนะแล้วก็แนะนำสำหรับคนที่มาใหม่นะหรือคนที่ยังไม่เคยปฏิบัตินะก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ก็ดีหรือคนเก่าก็ดีที่อาจจะยัง ยังไม่ไปถึงไหนนะเพราะว่าบางทีเราก็จับช่องหรือว่าจับทางไม่ถูกนะนี่ก็จะเป็นสิ่งที่คงจะช่วยนะให้เราได้มองเห็นช่องทางนะที่เราจะประพฤติปฏิบัติหรือจะเรียนรู้ต่อไปนะก็ะคิดว่าการมาวัดป่าสกโตเนี่ยประโยชน์สูงสุดนะที่เราควรจะได้รับนะก็คือการมาเรียนรู้นะเรื่องความรู้สึกตัว นะที่จะทำให้เราเรียนรู้ความจริงของชีวิตนะความจริงของกายของใจนะที่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่อยู่ในอํานาจบังคับบัญชาของใครเป็นอิสระของเขาแลนะเมื่อเราเห็นอย่างนี้ได้เราก็จะสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าความเป็นปกติของใจนะที่มีอยู่แล้วและตรงนั้นล่ะนะคือความสุขที่ประนีตเป็นความสุข ที่มีอยู่แล้วในตัวของเราทุกคนที่ทุกคนสามารถที่จะประสบพบเห็นได้ในชีวิตนี้ไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยหรือเกินวิสัยที่คนเราจะทำได้ น, นี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำเสนอพวกเราเาละในท้ายที่สุดนี้กอ็อำนาจของคุณพระสีรัตนตรยัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่แล้วนั่นแหละนะพระธรรมก็คือความจริงที่เป็นสจธรรมที่จะปรากฏหรือแสดงให้เราได้เห็นพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติของเรานะที่จะได้สัมผัสกับความจริงตรงนีนะ้ประกอบกับความเพียรพยายามความตั้งใจของทุกท่านนะจงเป็นพลวะปัจจัย ให้เราได้สัมผัสนะสัมพันธ์กับความจริงนะที่มีอยู่แล้วในตัวของเราและได้สมสัมผัสกับความสุขณนะที่ประณีตแลนะคือความเป็นปกติของจิตใจโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญเจริญพร